แต่วันนี้แก ค, ควรจะไปนั่งเฝ้านะสางป่าโอ้จะวันนี้หรือวันไหนไหนสางปาก็ไปนั่งเฝ้าไม่ได้รอกนายขาเหลืองห้ามไว้ละนายรพินจุ ป, ปากเบาๆไม่กล่าวอะไรอีกคว้าปืนเดินดุ่มตรงไปยังบริเวณโขดหินสลับซับซ้อนริมทา น, น้ำโดยเร็วเมื่อใกล้เข้ามาก็ได้ยินเสียงหัวรอต่อกระซิกหยอกยาวกันอย่างสำเริงรื่นเสียงน้าแตกกระเซน็น เสียงวราะหาห้าวของฮอฟมันกลัวไปกับเสียงวีดแหลมริกๆของมาเรียจอมพรานถอนใจเฮือพอผ่านหินก้อนใหญ่สุดท้ายชิดลำธารใต้ร่มใจก็มองเห็นเสื้อผ้าของทั้งสองกองอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งซับในท่อนล่างสีดำฉลุดด้วยลูกไม้แดงสดบางสายราวกระยายแก้วของมาเรียแขวนเด่นอยู่บนกิ่งไม้สูงระดับเดียวกับศีรษะของเขาเกือบจะกระทบหน้า ขณะที่เดินผ่านเข้าไปรพินใจหายวาบรีบก้มต่ำเบนศีรษะหลบผ้ายันผืนน้อยไปได้อย่างวุดวิตกลิ่นสาบของเจ้าของฉุนกึกประทะจมูกอย่างแรงฮอฟมันเขาร้องให้เสียงเข้าไปเบาๆสำเนียงระลึกรื่นยาวยวนนั้นเงียบไปทันทีแล้วก็มีเสียงหัวเราะของดอกเตอร์ฮอฟมันเห่าๆออกมาจากหลังโขดหินที่บังอยู่ไพรวันเดอ ผมเองตอนนี้เรากำลังเป็นอาดัมกับอีฟกันอยู่เสียงระคัไปกับหัวเราะของฮอฟมันร้องบอกมาแล้วก็แทรกด้วยเสียงไฮไฟของแม่สาวใหญ่เลือดผสมว่าแล้วก็ไม่รังเกียจที่จะเชิญให้มิสเตอร์ไพรวันโผรเข้ามาร่วมในสวนอีเดนนี้ด้วยนะแต่ต้องในสภาพเดียวกับเรานะมาสิเธอพินอย่าหนักเสื้อผ้าอยู่เลยทิ้งมันออกแชให้หมดแล้วกระโดดลงมาแช่น้ากับเราสิ ขอบคุณมากครับแต่เห็นจะไม่หรอกคุณทั้งสองอยากจะเป็นอาดัมกับอีฟกันก็ได้แต่ที่นี่นะมันไม่ใช่สวนอีเดนแน่คุณจะมีใครสักคนนั่งเป็นยามอยู่ด้วยนะครับเขาตะโกนโต้ ต, อ, ตอบกับสองสามีพัญญาโดยไม่ยอมผูวลาก้อนหินออกไปแล้วก็รู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งตบน้ําให้กระเซ็นซ่านมาที่ก้อนหินที่ยืนหลบอยู่โดยตรงฝอยน้าบางส่วนข้ามมากระทบศีรษะเขาคงจะเป็นมาเรีย นางเสือดาวตาเขียวผู้ขนองสวัสด์เสียงหัวเราะของทั้งสองยังคงดังประสานกันก้องไปทั้งลําห้วยก็คุณนั่นแหละเป็นยามให้กับเราถ้าคิดว่าเราจําเป็นต้องมียามเฝ้านะ่ะนั่นเป็นเสียงใสของหล่อนเชื่อผมดีกว่าขึ้นจากน้ําะเถอะไรเฟิลคุณก็ทิ้งไว้บนแคมป์ไม่ได้เอาติดมือมาด้วยเขาตัดบทน้ําเสียงแคร่งขึ้นไม่ต้องห่วงรอกไพรวัน แล้เดี๋ยวเราจะขึ้นตอนนี้นะผมมีปืนสั้นอยู่ใ ก, ก, กล้ๆในกระบอกหนึ่งลำทารสายนี้มันก็ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับเรามากเราแช่มันมาหลายวันแล้วเหมือนอ่างอาบน้ําในบ้านคุณกลับขึ้นไปเถอะรีบขึ้นหน่อยนะผมไปละ่ะรพินตะโกนบอกมาเป็นคําสุดท้ายแล้วผลักขึ้นมาโดยเร็วแดดใกล้ที่ยังชักจะกล้าขึ้นการไม่มีอะไรจะทําทําให้หนังตาหนัก พวกพรานพื้นเมืองกําลังเตรียมหงหาอาหารกลางวันคณะนายจ้างยังม้อยหลับเอาแรงกันอยู่จอมพรานเลือกใต้สุ้มไม้ชัยภูมิเหมาะตอนหนึ่งเอ็นหลังหลงหนีบบ้างตั้งใจจะตื่นขึ้นเมื่อข้าวสุกข้อเผลอหลับไปนานสักเท่าใดไม่ทราบแ ล, แล้วทันทีนั้นก็สะดุ้งพรวดเพ่นผางขึ้นยืนทั้งตัวเมื่อเสียงปืนระเบิดกึกก้องขึ้นสองนัดซ้อนตามติดมาด้วยเสียงกรีดร้องสุดเสียงดังขึ้นมาจากลําธารเบื้องล่าง เชษฐาชัยันดารินก็กระโจนตาลีตาเหลือกด้วยความตกใจขึ้นพร้อมกันทั้งทั้งที่ยังนอนอยู่คนอื่นๆต่างก็ทะลันฮือขึ้นราวกันนับกันไว้เสียงปังสนั่นหวั่นไหวดังขึ้นอีกนัดประสานไปกับเสียงหวีดด้วยความตื่นตะนกสุดขีดและเสียงร้องก้องยังเจ็บปวดเกิดอะไรขึ้นเชษฐาร้องลั่นฮอกมันกระเมียที่ลำทารข้างล่างนั่นระพินไพรวันละล่ําละลักขึ้นแทบไม่เป็นภาษา กระชากลูกเลื่อนขึ้นลำขึ้นลำไรเฟิลแล้วก็เป็นคนแรกที่ทะลันปรดออกจากที่คณะนายจ้างทั้งสามระครุบ ป, ปืนประจำตัวพุ่งติดหลังลงมาอย่างทันทันกันยังจิตใจไม่อยู่กับตัวและไม่สามารถจะเดาเหตุการณ์ใดๆได้ไดไดถูก